สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายกรคณชอบเล่าคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านนะครับก็คือเรื่องราวจากท่านสมาชิกของช่องทกรคนชอบเล่าที่ได้กรุณาแชร์ประสบการณ์เพื่อให้ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านสมาชิกท่านอื่นได้ฟังกันครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งซึ่งเป็นบิดาของผู้ที่แชร์ประสบการณ์นี้ให้ผมได้นามาถ่ายทอดต่อท่านสมาชิกเล่าว่า พ่อของผมเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์กำเนิดและเติบโตอยู่ที่นั่นชีวิตในวัยเด็กของพ่อนั้นถือว่าเป็นเด็กที่น่าสงสารด้วยฐานะของบ้านนั้นยากจนประกอบกับบิดาของพ่อซึ่งก็คือปู่ต้องมาเสียชีวิตจากไปเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พ่อเสียใจมากด้วยว่าพ่อกับปู่นั้นมีความสนิทสนมกันมากสมัยที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่ก็มักจะเอาเข้าวเหนียวมาป้อนให้แกกินอยู่เสมอๆ เ, เป็นความรักระหว่างพ่อกับลูกที่พ่อยังจดจําได้อยู่ตลอดมา หลังจากที่ปู่เสียชีวิตไปแม่ของพ่อก็คือย่าก็มีสามีใหม่ทำให้ชีวิตในวัยเด็กของพ่อไม่ค่อยจะสู้ดีนักอยู่กับแม่และสามีใหม่ของแม่จนเติบโตเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อเพราะต้องทำงานช่วยทางบ้านงานที่ทำก็คืองานเฝ้าสวนแตงโมของพ่อใหม่และแม่ก็ได้อยู่และได้กินไปกับครอบครัวใหม่ของแม่เรื่องเงินที่จะติดตัวไม่ต้องพูดถึงไม่มีซักสลึงใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นจนอายุครบ20่ปี ก็ได้บวช ท, ที่วัดแถวบ้านหพรรษาจากนั้นก็ศึกออกมาเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนซึ่งตรงนี้ก็คือจุดสําคัญของชีวิตพ่อเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่อได้เริ่มสอหาของขลังเพื่อป้องกันตัวจากผอกอคอที่มีฐานอยู่ในป่าแถบนั้นดินแดงตาพระยาช่วงนั้นพ่อได้เดินทางไปขเขมรกับเพื่อนรวม3ามคนเพื่อไปขอตะกรุดและสักยันจากพระขเขมรรูปหนึ่งซึ่งตะกรุดดอกนั้นพระอาจารย์บอกว่าตะกรุดนี้ว่าจะสําเร็จได้ ผู้ที่ทำจะต้องตระเวจหาบาทพระก็คือบาทที่พระใช้บินทะบาดนั่นเองแต่ต้องเป็นบาทที่มาจากวัดร้างจํานวน25่สิบหวัดจากนั้นก็ตัดเอาชิ้นส่วนมาใบละชิ้นให้ครบแล้วจึงนําไปปลูกเสกอีกครั้งพอเล่าให้ฟังว่าในโลกนี้มีตะกรุดนี้เพียง3ดอกหรือ3เส้นเท่านั้นเมื่อได้ของดีกันมาแล้วพ่อก็ต้องอยู่ที่นั่นประจําการอยู่อีกหลายปีระหว่างที่ออกปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เคยมีกระสุนไหนทะลุผิวหนังของพ่อแม้แต่นัดเดียว และหลังจากที่ผอกคได้มอบตัวกับทางรัฐบาลหมดแล้วพ่อจึงได้กลับมาอยู่ที่บ้านจังหวะช่วงนั้นเป็นช่วงรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่อจึงได้ลงสมัครเข้าแข่งขันและสุดท้ายพ่อก็ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆเมื่อพ่อได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไม่นานก็ได้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเจรจาเกี่ยวกับงบประมาณส่วนได้ส่วนเสียและผลตอบแทนที่พ่อจะได้ถ้ายอมตกลงด้วยแต่คําตอบที่พ่อให้กลับไปนั่นก็คือไม่ไม่ร่วมมือด้วย จึงทาให้กลุ่มผู้มีได้พ่ท้องที่นั้นรู้สึกไม่พอใจมีการพูดขู่เตือนเอาไว้ว่าให้ลาออกไปซะซึ่งคําขู่นั้นก็ไม่ได้ทําให้พ่อกลัวแต่อย่างใดหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่วัดโคกกระหัดจังหวัดบุรีรัมย์เหตุการณ์นั้นก็คือเกิดจากกลุ่มของคนที่ไม่พอใจพ่อได้เข้ามาหาเรื่องในงานแล้วก็ได้เกิดการวิวาทชกต่อยกันขึ้นเหตุการณ์วิวาทในวัดครั้งนั้นทําให้ผู้ที่เข้ามาหาเรื่องเสียท่าให้พ่อจนต้องเจ็บตัวหามส่ ง, งพยาบาบลกันไป นับเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่มความแค้นให้กับผู้มีอิทธิพลมากขึ้นเหตุการณ์นั้นผ่านไปจนปีพุทธศักราช2533ปีนั้นผมมีอายุได้หนึ่งขวบในหมู่บ้านมีการจัดงานบุญขึ้นและพ่อก็ต้องไปร่วมงานด้วยเช่นเคยงานบุญที่จัดผ่านไปด้วยดีเป็นปกติคืนนั้นมีการดื่มจบจนเวลางานไปถึงสองทุ่มพ่อจึงได้เดินกลับบ้านด้วยอาการที่เมาเาจนเดินมาถึงบ้านแต่พ่อไม่ได้สังเกตเลยว่า ได้มีผู้ที่ไม่หวังดีไม่แอบซุ่มตัวอยู่ข้างโอ่งน้ําเวลานั้นเป็นเวลาที่พี่สายของผมลงมารับพ่อก็เป็นเวลาเดียวกันกับเจ้ามือปืนที่ซุ่มอยู่ข้างโอ่งปรากฏตัวขึ้นมันเล็งปืนลูกซองห้านัดที่เตรียมไว้ไปทางพ่แล้วลั่นไกปังกระสุนนัดนั้นตรงเข้าหว่างคิ้วพ่อของผมทําให้พ่อไงหลังล้มตึงทันทีแต่เรื่องมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นจะด้วยอํานาจของของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามที่ติดตัวพ่อได้แสดงปฏิหารกระสุนนัดนั้น ทำได้แค่เพียงแผลถลอกจอมือปืนเห็นดังนั้นจึงเหนียวไกนัดที่สองทันทีกระสุนนัดนั้นตรงไปที่หน้าอกแต่กระสุนก็ไม่ระคายผิวพ่อพ่อบอกว่าตอนนั้นรู้สึกจุกมากมือปืนคิดว่าตนเองทำงานสำเร็จมันจึงได้ยิงปืนขึ้นมาบนบ้านเฉียดหัวผมเป น, นิดเดียวเองเวลานั้นเป็นเวลาที่ผมนอนหลับอยู่จากคําบอกเล่าของพี่มันตั้งใจจะฆ่าทิ้งให้หมดบ้านแน่ๆผมก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกันพ่อเห็นดังนั้นพ่อก็เดืกระโจนเข้าใส่มันทันที ทังที่ตัวเองไม่มีอาวุธมีแค่กระบอกไฟฉายก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันชุลมุนวุ่นวายฟัดกันอยู่สักพักนึงก็เห็นชาวบ้านวิ่งมาดูเมื่อเจ้ามือปืนเห็นจึงได้พลักออกจากท่อแล้ววิ่งหนีเข้าป่าหลังบ้านแล้วก็ขับรถปอตไซที่มันซุกเอาไว้หลบหนีไปได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นแม่ได้บังคับให้พ่อลาออกทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวแม้ว่าพ่อกับแม่จะรู้ว่าเป็นฝีมือใครที่เป็นผู้จ้างวานเจ้ามือปืนนั่นแต่ด้วยหลักฐานที่ไม่เพียงพอจึงทําให้ไม่สาาามรถเอผิดไดไ้ เหตุการณ์เรื่องนี้เป็นที่กล่าวขานในบรรดาคนรุ่นนั้นว่าผู้ใหญ่เลี้ยงหนังเหนียวกระสุนไหนก็เอาไม่ลงนี่ก็คือเรื่องราวของพ่อผมในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถจะบอกนามของผมได้แต่ผมขอยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงของบิดาผมครับและนี่ก็คือประสบการณ์ของครอบครัวของท่านสมาชิกที่ได้แชร์มาให้ผมได้ถ่ายทอดต่อสิ่งที่เราไม่รู้และชวนเฉ ง, งนยังมีอีกมากก็ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขจากการฟังเรื่องราวนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ